ตลอดไปจนกระทั่งส่วนที่ถูกปกปิดห่อหุ้มไว้ด้วยหนังทั้งหมดเช่นกระดูกเส้นเอ็นตับไตไส้พุงโดยย่นย่อคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมหากสติมีคุณภาพพอจะรู้กายโดยความเป็นกองทัพรูปก็จะประจักษ์แจ้งว่าที่ประชุมกันหลอกตาให้หลงนึกว่าเป็นร่างมนุษย์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 หมายความว่าถ้าใครมีประสาทบกพร่องก็จะทาให้ขาดหรือด้อยความรู้แจ้งในทางนั้นๆด้วยตรงนี้จะทำให้เข้าใจว่าไม่ใช่มีวิญญาณประเภทหนึ่งหนึ่งลอยอยู่ด้วยตัวเองกับทั้งคงทาให้เข้าใจอย่างดีว่าวิญญาณนักขันไม่ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงอันเกิดจากปัญญาทางโลกหรือทางธรรมแต่ประการใด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 เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราไม่ได้ไปในที่นั้นเราไม่ได้เจอใครคนนั้นเป็นต้นฝันเป็นเพียงภาวะปรุงแต่งอันแสนพิสดารของจิตจบฝันเมื่อไหร่อาการทึกทักเหลวไหลทั้งปวงก็จบตามหลักการเจริญสติรู้ขันห้าหลักการพิจารณาขันมีง่ายๆคือเห็นว่า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 เพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยสิ่งที่ฉันจะทำไว้ในใจคือดูความพร้อมกับดูขันที่เหมาะ